สดวนบททำวัดเย็นส่วนตอนเช้าก็ถ้ามีเวลาก็จะได้สสด็นมนถ้าบางวันต้องขึ้นรถเมล์ก็จะนั่งพุทโธมาในใจไปเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้บางทีก็เวลามันมีทุกข์มีอะไรขึ้นมาปุ๊บมองจะรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะเห็นเอ๊ะมนหลงคิดไปแล้วอันนี้เป็นตัวที่ที่เห็นที่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 ตลกว่าเอตกลงไข่แปลกกันแน่ <c oughs> มันมันก็งงงเพราะว่ามันไปสัมปะยุทธกับโลกค่อนข้างมาก<ด>คนดีเนี่ยพระเจ้าท่านบอกไว้หลายอย่างนะ<ด>รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ประชุมชนเราไปอยู่ในหมู่คนบ้าเราไปพูดแบบคนดีเขาก็ว่าเราบ้าสิต้องดูประชุมชนด้วยนะเวลาหลวงพ่ออยู่ในหมู่คนบ้าหลงโลกนะเราก็ยิ้มยิ้มหัวเราะไป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 ใช่ค่ะโอ้อย่าดูเยอะนะนี่ดาเอาหรอก <laughs> <laughs> ดูใจบ่อยๆคนนางอิจฉามานะี่เกลียดมันรู้ว่าเกลียดนางเอกมาเกลียดมันอีกมันสวยกว่าเราโอ้ย <laughs> อ, อย่างเงี้ยรู้ทันมันไปเรื่อยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยนะแล้วแล้วเวลาหนูหนูเหมือนกับท่องพุทโธอะไรเไงี้ยใจหนูก็จะลอยไปแป๊บแ<ม>ป๊เดียวหนูก็ลอยไปอีกแล้วอะค่ะเอองั้นพุโทโธมันละเอียดไป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 เห็นครับอ้นะทำถูกแล้วละไปทำอีกดูบ่อยๆสงสัยอะไรขึ้นมาแ้ก็ยกมือไหว้ซีดีทีหนึ่งแล้วเปิดนะครับเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองแหละมีทุกคำตอบเลยแต่บางทีผมก็ต้องอาศัยการพิจารณาถูกตอบใช่ได้ได้ั้ยครับได้ต้องช่วยเหมือนพี่นะอถูกแล้วล่ะที่ทำอยู่นะครับน้ำศการพ่อครับใช้ได้เชียละ เขาคุณภาวนาได้ดีแล้วล่ะร้อยแปดสิบสามนี่อยู่ข้างหน้าห้องเลยนมัซ ก, กาลค่าหลวงพ่อหนูฟุงซานเยอะอ่ะอืมหนูพ่อเขาว่ า, างนะ น, น้องในแล้วหนูเวลาหนูดูการ์ตูนอย่าเงี้ยคะหนูก็จะหลงไปเป็นตัวละคร น, า น, า น, นะคะั้นๆอ่ะธรรมดานะไม่เฉพาะหนูหรอกพวกพี่ๆป้าๆ น, น, น้าๆเวลาเขาดูเขาก็าอินอย่างนั้นแหละ